วันนี้เป็นวันจันทร์ที่22สองกันยายนพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมสวนสะวันฟังธรรมและวันปฏิบัติธรรมเป็นวันเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตคือเสริมความสุข ความเจริญให้แก่จิตใจเพราะว่าการมาวัดนี้มีการกระทําที่เป็นมงคลหลายประการด้วยกันเช่นอเสวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกาลมุตตังคือหนึ่งการไม่ครบคนพาน คือคนง่อสองการครบบัณฑิตสามการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง mm. นี่มงคลสามประการแรกคือการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง mm. นอกจากนั้นก็ยังมีการ ฟังเทศฟังธรรมและสนทนาธรรมที่ในพระสูตรได้แสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวังเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามโอกาสอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่งและกาเลนะธรรมสากชฉาการสนการสนทนาธรรมตามการตามเวลา คือการถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง<ม>อย่างถ้าญาติโยมวันนี้ไดมาวัดญ<ม>าติโยมก็จะได้มากระทำการที่เป็นมงคลอยู่ถึงห้าประการด้วยกัน<ม>เวลาที่เรามาวัดเราจะไม่ได้คบคนพาลคนโง่เพราะว่าที่วัดนี้เป็นที่อยู่ของคนฉลาดคือที่อยู่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถึงแมตอนนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ตามแต่เราก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สององค์ด้วยกันคือพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็จะอยู่ตามวัดตามวาต่าง เวาเราเข้าวัดเข้าวาเราก็จะได้คบบัณฑิตไม่ได้คบคนพาลคนโง่คนโง่งเป็นอย่างไรคนโง่ก็เป็นคนที่ไม่รู้ผิดถูกดีชั่วไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นนี่คือลักษณะของคนโง่คนโง่มักจะมีการกระทําที่เป็นโทษต่อตอนเองแต่กลับไปเห็นว่าเป็น เป็นประโยชน์เป็นสุขกับตนเองเช่นการเสพบ า, บายามุกดื mm hmm. ่มสุรายาเมาเล่นการพนันเ <c oughs> ที่ยวเต mm hmm. รพบคนที่ชอบอาบายามุกเป็นมิตร mm hmm. และความเกียดค้าน mm hmm. นี่คือลักษณะของคนโง่ mm hmm. ชอบเสพบ า, บายามุกแล้วก็ชอบทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปด เวลาที่เรามาวัดนี้เราจะไม่ได้พบกับคนเหล่านี้เพราะคนที่มาวัดนี้เป็นบัณฑิตเป็นคนที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ว่าอะไรเป็นคุณรู้ว่าอะไรเป็นโทษคนที่มาวัดนี้มักจะไม่เสพอบายามุกกันจะไม่ดื่มสลายาเมาจะไม่เล่นการพนันจะไม่เที่ยวเตะจะไม่มีความเกลียดคร้าน ยังไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรนะเพราะว่ามีบัณฑิตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสั่งคอยสอนคอยบอกคอยเตือนอยู่เรื่อยๆให้ละเว้นการกระทําที่เป็นโทษเช่นการเสพอบายามุขและการกระทําบาปต่างๆนอกจากนั้นบัณฑิตก็ยังจะสอนเราให้รู้วิธีพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น ให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่คือสิ่งที่เราจะได้เวลาที่เรามาวัดสองข้อแรกคือจะได้จะไม่ได้คบกับคนคนพาลคนง่เพราะคนพาลคนงอนี้จะไม่ชอบเข้าวัดชอบไปเข้าตามบ่อนตามบา ตามสถานบันเทิงตามแหล่งอบายมุขต่างๆคนที่เป็นบัณฑิตก็จะไม่ไปอยู่ที่เหล่านั้นพวกที่เป็นบัณฑิตก็มักจะมาที่วัดกันที่วัดนี้เป็นที่รวมของคนฉลาดคนที่มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนคอยบอกให้ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนั่นเองเราก็มาวัดก็จะได้พบบัณฑิตพบกับพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวุกถึงแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามแต่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าพระธรรมคาสอนที่ได้ทรงตัดสอนไว้นี่แหละ เป็นตัวแทนของพระองค์เป็นศาสดาแทนพระองค์หลังจากที่พระองค์จากพวกเราไปแล้วด mm hmm. งนั้นการมาวัดนี้การได้ยินได้ฟังธรรม mm hmm. ก็เป็นเหมือนกับการได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า mm hmm. เวลามาวัดเราก็จะมีการฟังธรรมกัน mm hmm. เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาแสดงเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้รู้ จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมถึงห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สี่จะทาให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง เป็นปัญญารู้ผิดถูกดีชั่วนั่นเองและห้าจะทาให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือมงคลที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมและจากการสนทนาธรรมถามตอบทำถามเพราะบางทีฟังธรรมแล้วยังอาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่องบางอย่างอยู่ก็สามารถถามตอบถามได้ในเวลาที่มีให้ถามตอบ คือหลังจากที่ได้แสดงธรรมปฏิบัติธรรมได้ถวายข้าวของเสร็จแล้ว mm hmm. ก็มีเวลาที่จะให้ถามคําถามต่างๆได้เพื mm ่อ hmm. ความกระจ่างในธรรมต่างๆ mm hmm. เพื่อที่จะได้นํำมาไปปฏิบัติให้ดี mm hmm. ให้ถูกต้องได้ต่อไป mm hmm. นอกจากนั้นก็ยังมีการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชา mm hmm. าวัดเราก็จะมาทําบูชาสองชนิดด้วยกัน อย่างี้แรกเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยข้าของเงินทองจตุ ป, ปัจจัยทยทานต่างๆเช่น<ช>ถวายพระตาหารไทยบาทถวายผ้าจีวร<ช>ถวายร่วมสร้างกุฏิที่อยู่อาศัยและถาวอร์และวัตถุต่างๆเช่นโบสถาราเจดีเป็นต้น<ช> <ๆ S 2> แล้วก็ มีการปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็คือเราจะมานั่งสมาธิกันหลังจากที่ฟังธรรมได้30นาทีแล้วก็เป็นช่วงปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการบูชาบูชาพระพุทธก็รมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาสองอย่างนี้ระหว่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าทรง ยกย่องว่าการปฏบิบัติบูชานี้เป็นเลิศเพราะให้ผลได้มากกว่าการปฏิบัติอามิสบูชา mm hmm. การถวายข้าวของเงินทองจตุปัจจัยทายทานต่างๆนี้ธรรมนุบมลพระพุทธศาสนานี้เป็นการทำบุญทําทา น, อ ย, น, อ, ยนอยู่ในระดับทานอันนี้สองที่จะได้รับจากการ ทำบุญทำทานเวลาที่ตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติบูบชาด้วยการปฏิบัติธรรมอา น, นิสงส์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะส่งให้ผู้ปฏิบัติได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมชั้นอริยบุคคลและชั้นนิพพานตามลำดับต่อไปอา น, นิสงส์ได้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมจึงดีกว่าจึงสูงกว่า อันนี่สงที่เกิดจากการทำทานทาอามิ ส, สบูชาแต่สำหรับผู้ที่เริ่มการการการะทาการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องทำจากจากง่ายไปหายากก่อนเช่นการทำทานทาอามิ ส, สบูชานี้มันง่ายกว่าการปฏิบัติบูชาถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติบูชาได้ เราก็ควรทำอมิสบูชาไปก่อนทำบุญทำทานโอยจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหนือใช้ที่เราเก็บไว้ไม่ไม่ได้ใช้ให้ไปก็ไม่เดือดร้อนไม่เสียหายกลับได้ประโยชน์กว่าเก็บไว้เฉยๆเงินทองถ้าเรามีเหลือกินเหนือใช้แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเก็บไว้เฉยๆมันกลับกลายเป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษา ทำให้จิตใจมีความภวะผวาองค์มีความกมังวลกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ได้ถ้าเบิจากทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสบายใจก็จะมีความสุขและอันนี้สองของบุญที่ได้จากการทําบุญทําทานนี้ก็จะทําให้ใจดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วได้ไปเกิดในสุคตินี่คือ การเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตการเสริมสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจเสริมสร้างด้วยการกระทำที่เป็นมงคลต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะกระทำกันเวลาที่เรามาวัดกันมาวัดเราก็จะมาฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องบุญเรื่องบาปฟังเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ฟังเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องจินตนาการขึ้นมามไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายแต่เป็นความจริงที่ว่าใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย<ม>พอร่างกายตายไปแล้วใจของเรายังอยู่ต่อแล้วก็จะอยู่อยู่ในสภาพที่สุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาป ที่ได้สะสมไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะส่งผลก่อนบุญก็จะส่งผลให้ใจไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะส่งผลก่อนบาปก็จะส่งให้ไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ, <Yeah. S 1> ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุรกาย <Yeah. S 1> ถ้าทำบาปด้วยความอาคาดพยาบาท mm. โกรธเกลียดเครียดแค้นจองเวรจองกรรม <Yeah. S 1> ก็จะไปเกิดในนรก <Yeah. S 1> อันนี้ที่ไปของผู้ที่ทำบาปมากกว่าบุญ <Yeah. S 1> เวลาที่เราตายนี้จิตสุดท้ายมันไม่เป็นตัวที่จะ บอกว่าเราจะไปไหนหรอกแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ของบุญหรือบาปว่าฝายไหนมีมากกว่ากันไม่ใช่ว่าเรารอจิตสุดท้ายแล้วมามาทำบุญตอนจิตสุดท้ายทำจิตให้สุขให้สงบมันทำไม่ได้หรอกถ้าตลอดชีวิตทำแต่บาปแล้วอยู่ดีๆเวลาจะตายนี่มาคิดทำบุญขึ้นมาเหมือนกับคนที่เคยใช้มือขวามาตลอดชีวิต พอเวลาจะตายให้มาเปลี่ยนใช้มือซ้ายนี่มันทำไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันไม่เคยฝึกฝนอบรมมาก่อน <c oughs> เคยถนัดใช้ทำมือขวามันก็จะทำมือขวาถนัดมือซ้ายมันก็จะใช้มือซ้าย <c oughs> ก่อนที่ถนัดทำบุญก็จะทำบุญตลอดเรื่อยๆไปคอนที่ชอบทำบาปก็จะทำบาปไปเรื่อยๆไม่ใช่มาพลิกแพงในเวลาที่จะตาย <c oughs> เวลาที่จะตายนี้มัน ตกอกตกใจมันจะไม่มีสติเพราะความกลัวตายมันจะไม่มีเวลามาตั้งสติว่าเอ้าต้องจิตสุดท้ายเราต้องดีนะเราต้องคิดถึงนิพพานถ้าคิดถึงนิพพานแล้วเราจะไปนิพพานอันนี้เป็นเรื่องโมเมไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงจะไปนิพพานได้มันต้องไปตั้งแต่ยังไม่ตายเช่นพระพุทธเจ้านี่ท่านไปถึงนิพพานตอนที่ตัดสุลู่อยู่ใต้โคนต้นโพ น, นนั้นอายุสาสบหปี จิตท่านไปถึงนิพพานแล้วพออายุ8ปดสิปีเวลาท่านตายไปจิตก็ไปนิพพานทันทีเพราะว่าได้เตรียมตัวไว้แล้วได้ส่งจิตไปถึงนิพพานแล้วเพียงแต่ว่าร่างกายยังไม่ตายเท่านั้นเองก็เลยคองคองจิตที่เป็นนิพพานอยู่ไปกับร่างกายไปพอร<ม>่างกายตายไปจิตที่เป็นนิพพานแล้วก็ไปนิพพาน<ม>จิตของปุถุชนก็เหมือนกันถ้าจิตเป็นบาปมันก็ต้องไปไปอบายอย่างแน่นอน ถ้าจิตมันเป็นสวรรค์มันก็ไปสวรรค์ถ้าจิตมันเป็นพรหมมันก็จะไปเป็นพรหมมันไม่ได้อยู่ที่วาราสุดท้ายว่าเราจะมากำหนดว่าจะเลือกไปไหนดีเปิดเมนูดูะจะไปสวรรค์เช่นไหนดีะจะไปพรหมโลกดีหรือเทวโลกดีหรือไปนิพพานดีจะไปเป็นโสดาบันหรือเป็นอะไรดีมันเลือกได้ที่นั้นถ้าเลือกได้ก็ดี ทั้งปีทั้งชาติล้วก็ทําบาปกันเล่ น, เ ล, นเล่นการพ น, นักนการเที่ยวเตะกันให้สนุกสนานพอเวลาตายก็มาเปิดเมนูดูว่าจิตสุดท้ายเราจะให้เป็นอะไรดีเป็นนิพพานดีไหมเลือกเอา น, านิพพานไปนิพพานเลยมันไม่ใช่คนเราไม่เข้าใจผิดคิดว่าเราจะมาเตรียมตัวตอนจิตสุดท้ายตอนนั้นมันสายเสียแล้วมันไม่ทันการแล้วจะมาเปลี่ยนจิตให้มันจาก จากกายจากเปรดมาให้กลายเป็นเทพนมันไม่ได้ทําแบบทันทีทันใดเหมือนกับคนที่เคยใช้มือขวาถนัดมือขวาจะมาเปลี่ยนใช้มือซ้ายตอนที่จะตายนี่มันเปลี่ยนไม่ได้นะมันต้องใช้เวลาฝึกฝนอบรมถ้าเคยเป็นเปรตเช่นตอนนี้เป็นเปรตอยู่ชอบลักขโมยชอบเอาทรัพย์ของคนอื่นชอบขี้โกงชอบหลอกลวงเพราะความโลภอยากได้เงินมากๆอยากเลิศ อ, อยากรวย ถ้าทำอย่างนี้มันจะต้องไปเป็นเปรตแน่ๆเวลาตายถ้าไม่อยากจะไปเป็นเปรกก็ต้องเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่ตอนนี้จากการเป็นเปรกก็มาเปลี่ยนเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็ต้องชอบให้ทาบุญให้ทานชอบแบ่งปันชอบเสียสละมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็เอาไปแจกกันเอาไปบริจาคกันเอาเพื่อช่วยเอาไปช่วยสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากกันอันนี้สามารถเปลี่ยน จากเปรตมาให้เป็นเทพได้คอยทำบาปก็ไม่ทำบาปชื่อสตร์ ส, สุดจริตธรหมากินเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่สุดจริตไม่ชอบโกงไม่รักทรัพย์แล้วถ้ามีเงินเหลื อ, เห ล, อเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทําบุญทําทานอย่างนี้จะไม่ไปเป็นเปรตหตจะมาเปลี่ยนตอนที่จิตสุดท้ายนี่มันเปลี่ยนไม่ได้ทั้งปีทั้งชาติเป็นเปรตมาตลอดเวลา โลภหาเงินหาทองด้วยความโลภทำบาปด้วยความโลภตลอดเวลาก็ถึงเวลาจะตายมาเปลี่ยนเป็นเทพเปลี่ยนไม่ได้เพราะคนที่โลภนี้จะเสียดายเงินทองของตัวเองจะไม่อยากให้ใครอยากจะเ ก, ก็บเอาไว้อย่างเศรษฐีในพระพุทธการนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งโลภชอบหาเงินหาทองมาแล้วก็เอาเงินทองที่ได้มานี้ไปฝังดินไว้ ไม่บอกลูกหลานตายไปก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมายี่อยู่ในบ้านพร<ม>เจ้าเดิน่านมาก็เห็นจิตของเจ้าของบ้านว่าตอนนี้มาเกิดเป็นหมาอยู่ที่บ้านก็บอกลูกๆว่าเลี้ยงหมาตัวนี้ให้ดีนะอย่าให้มันตายอย่าให้มันหายไปไหนนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติที่พ่อของเธอฝังเอาไว้ให้<ม>เดี๋ยวไม่ไม่นานมันก็หมาตัวนั้นมันก็ไปคุยคุยหาสมบัติที่เคยฝังเอาไว้ จิตสุดท้ายเนี่ยจิตสุดท้ายเป็นเศรษฐีแต่ตายไปกลับต้องมามเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเวลาเป็นมนุษย์นี้ทําบาปด้วยความหลงหางเงินหาทองโดยที่ไม่เกรงกลัวบาปคิดว่าบาปไม่มีมหางเงินเพื่อเลี้ยงชีพเช่นทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาจุนเจือหรืแล้วล่ำรวยจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขึ้นมามีทรัพย์สมบัติมากมายก็ เสียดายไม่ยมามรอไปทําบุญทําทานเอาเก็บเอาไว้ลูกๆ ก, ก็ไม่อยากจะให้ตายไปลูกก็ไม่รู้ว่าสมบัติของพ่อพ่อเก็บไว้ที่ไหนบ้างเพราะตัวพ่อยังอยากจะหวงสมบัติอยู่ยังอยากจะกลับมาอยู่กับสมบัติก็เลยได้กลับมาเป็นหมาอยู่ของหมาที่บ้านมาเฝ้าสมบัติที่บ้านพระพุทธเจ้าเห็นดวงวิญญาณของหมาตัวนี้เห็นจิตใจของหมาตัวนี้ว่าเป็นเจ้าของบ้านเดิม ที่ตายไปแล้วมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เลยบอกลูกๆว่าเลี้ยงหมาตัวนี้ให้ดีนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดคุ้ยสมบัติให้พวกเธ อ, อแล้วไม่นานมันก็พาไปอย่างที่พทธเจ้าตัดไว้นี่คือเรื่องการทำบุญทำทานการทำความดีต่างๆเราต้องทำตั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่มารอทำตอนจิตสุดท้ายถ้าทำได้ก็ดี ตอนนี้ก็ไม่ต้องมาวัดมานั่งสมาธิให้เหนื่อยให้ยากวันนี้ไปเที่ยวไปกินกันดีกว่าไม่เดิมอยากจะทำอะไรก็ไปทำกันให้สนุกสนานเฮฮาไปวันวันหนึ่งแล้วพอจิตสุดท้ายก็มามาทำจิตให้สงบให้เป็นนิพพานขึ้นมาเลยทำได้ที่ไหนขนาดตอนนี้มานั่งสมาธิแค่สามสิบนาทียังยากแสนยากยิตมันยังเด่นให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็ยังไม่ยอมอยู่ พูโทรได้สองสามคไปแล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นของที่จะทำได้ทันทีทันใด <Yeah. S 2> นิสัยของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่เราได้ปลูกฝังมานานะเป็นเวลาอันยาวนาน <Yeah. S 2> อยู่ดีๆจะถอดถอนมันขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาทันทีนี้มันเป็นไปได้ยาก <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นอย่าประมาท <Yeah. S 2> อย่าไปคิดว่า yeah. เราสามารถที่จะส่งจิตไปสู่สุขคติได้เวลาจิตสุดท้ายก็ให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นเองแต่ทั้งปีทั้งชาติมันไม่เคยคิดสิ่งที่ดีเลยคิดแต่จะทำร้ายผู้อื่นคิดจะลักขโมยของคนอื่นคิดจ ะ, ะทำบาปทากรรมอยู่เรื่อยๆพอจิตสุดท้ายจะมาคิดทำความดีมันคิดไม่ออกมันไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าทำความดีไปเพื่ออะไรดั ะ, ะนั้น อย่าไปเชื่อตามที่คนเขาคิดกันว่าเราจะไปดีไปสูงไปต่ําไปสุขกติหรือไปสู่ทุกขตนี้อยู่ที่จิตสุดท้ายซึ่งความจริงมันก็อยู่ที่จิตสุดท้ายเนะี่ยแต่แต่มันผลลัพธ์ของจิตสุดท้ายมันเป็นอะไรนะมันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันกับเราทําบัญชีเราทํามาค้าขายนะพอสิ้นปีเราก็มาสรุปยอดของรายรับรายจนะ่ายะมาปีนี้เรารายรับได้เท่าไหร่ รายจ่ายเราใช้ไปเท่าไหร่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายได้ก็แสดงว่าติดลบก็ขาดทุนถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่ากำไรเราจะมาแต่งบัญชีในวันสุดท้ายไม่ได้หรอวันสิ้นปีว่าวันนี้ปีนี้ติดลบขาดทุนเดี๋ยวเราหารายรายรับใส่เข้าไปให้มันกำไรมันทำไม่ได้เพราะความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น การกระทำของเราก็มีเป็นเหมือนกันการสร้างรายรับรายจ่ายให้แก่จิตใจของพวกเราเวลาเราทําบุญเราก็สร้างรายรับให้กับใจของพวกเราเวลาเราทําบาปเราก็สร้างรายจ่ายให้กับเราสร้างหนี้ให้กับใจของเราพอเส้นปีเราก็มาทบทวนดูเวลาที่เราจะตายกรรมมันจะมันทำโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอ่ะกรรมเป็นผู้ทําบัญชีบุญและบาปให้กับเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องทําเองอ่ะกรรมจะเป็นผู้อ บวกลบคูณหารให้เราเองว่าบาปกับบุญที่เราทํามาทั้งชีวิตนี้อันไหนมีมีมากกว่ากันแล้วกรรมนี้แหละจะเป็นผู้ส่งให้ดวงวิญญาณของเราไปสู่ชิดที่มันต้องไปตามอํานาจของบุญหรือของบาปที่กระทํำแล้วไปก็มีหลายหลายที่ด้วยกันมีหลายสาเหตุเช่นถ้าทําบาปมากกว่าบุญบาปทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรย ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอรกสุดลกายถ้าทำบาปด้วยความมาคาดพยาบาทก็ไปไปนรกถ้าทำบุญทำบุญก็มีหลายระดับมีหกชั้นด้วยกันถ้าทำบุญน้อยละร้อยละหกห น, ห, นนหนึ่งในหนึ่งในหของทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ไปชั้นที่หนึ่งถ้าทำบุญสองในห ก, ก็ไปสู่ชั้นที่สองอถ้าทำบุญหกในหกเลยทำหมดเลยเช่นพวกที่ไปบวชเนี่ย มีทรัพย์สมบัติเท่าไรก็สละไปหมดเลยทําบุญไปหมดเลยอันนี้ก็จะไปสวรรค์ชั้นสูงสุดของชั้นเทพแล้วจากชั้นเทพก็จะเข้าสู่ชั้นพรหมได้ง่ายเพราะพวกนักบวชนี้พอเขาไปบวชแล้วเขาก็ไปเจริญจิตตภาวนาไปเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตเข้าฌานเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลก แล้วจากสวรรค์ชั้นพรมโลกก็สามารถก้าวสู่สวรรค์ชั้นนิพพานชั้นอริยะบุคคลได้ด้วยการเจริญปัญญาเห็นเห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมทั้งปวงเห็นไตรลักษณ์ในร่างกายเห็นไตรลักษณ์ในเวทนาเหนแต่เห็นไตรลักษณ์ในจิตเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนของการเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นก็เห็นไตรลักษณ์ในร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำนมไฟ ดินน้ำลมไฟมันจะกลายเป็นตัวเราได้อย่างไรร่างกายเรามาจากใครมาจากพ่อกับแม่ดินน้ำลมไฟของพ่อกับดินน้ำลมไฟของแม่มาประเาะมาะสมกันใช่ไหมตอนที่มีปฏิสนธิแล้วดวงวิญญาณของเราก็มาเกาะติดกับร่างกายนั้นแต่ไม่เราไปตู่ว่าร่างกายนั้นเป็นตัวเราของเราขึ้นมาดวงวิญญาณนี่แหะแต่ความจริงแล้วมันเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟพอเกิดมามันก็จเจริญเติบโตด้วยธาตุสี่ ต้องหายใจเอาธาตุลมเข้าไปด้วยการหายใจเอาธาตุน้ำเข้าไปด้วยการดืม่มน้ำดื่มนมต่างๆดืๆ่มเครื่องดื่มต่างๆเอาธาตุดินเข้าไปด้วยการรับประทานอาหารของแข็งต่าง ๆ, ๆ, ๆเอาธาตุไฟจากจากแสงอาทิตย์จากความร้อนของของแสงอาทิตย์เข้าไปหรือเอาความร้อนจากการมีปฏิกิริยาผสมของธาตุดินน้าลมไฟเวลาเข้าไปในร่างกาย สังเกตดูเวลากินอาหารเสร็จนี้ร่างกายจะร้อนขึ้นเพราะว่าธาที่เข้าไปในร่างกายมันเริ่มมีปฏิกิยาทางเคมีจะทําทให้เกิดมีความร้อนขึ้นมาร่างกายนี้อยู่ได้เพราะมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่าเลี้ยงไปพอถึงเวลาวาละสุดท้ายเวลาร่างกายหยุดทํางานไม่สามารถเอาธาตุลมไปได้เข้าไปได้แล้วทีนี้ก็มีแตจะแยกทางกันออก ธาตลมก็จะแยกออกจากร่างกายไปก่อนตามด้วยธาตุไฟร่างกายก็เย็นร่างกายของคนตายนี่เย็นกับร่างกายของคนเป็นแล้วต่อมาถ้าทิ้งไว้ไปมันก็จะเน่าจะพองน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างา ม, มันก็จะไหลออกมาจนกระทั่งมันก็ร่างกายแห้งกรอบไปส่วนที่แห้งกรอบก็ผุพังกายเป็นดินไปอันนี้คือร่างกาย<ม>ที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจิตที่มาครอบครองไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็น ตัวเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวของใครมันเป็นของดินน้ําลมไฟมาจากดินน้ําลมไฟแล้วกลับเกินสูดดินน้ําลมไฟถ้าเห็นความจริงอรงนี้แล้วปล่อยวางไม่ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายใจก็จะบรรลุขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลคือขั้นพระโสดาบันไดอันนี้คือตัวอย่างของการ การสร้างบุญสร้างกุศลตา่างๆที่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาสร้างในเวละสุดท้ายตอนจิตสุดท้ายได้จิตสุดท้ายนึกเป็นโสดาบันขึ้นมาก็จะเป็นนึกเป็นอหรหันต์ขึ้นมาก็จะเป็นถ้ามันเป็นได้ด้วยคำนึกเราก็ไม่ต้องมานั่งศึกษากันให้เสียเวลาไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมให้กันให้เหนื่อยยากกว่าเราเพียงแต่คิดในสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็จะมาตามที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่ เราจะได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาเรื่องของชีวิตของเราเรื่องของดวงวิญญาณของเราจิตใจของเราว่าไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้ายังมีเหตุคือความอยากถ้ายังอยากจะเสพกามอยู่อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายเพราะว่าต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายให้เราเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ วิญญาณนี้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเลยต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายอันนี้ตายไปความอยากที่จะเสดมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันยังอยู่ในจิตมันก็จะพาให้จิตไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่อีกต่อไปจะเกิดสูงเกิดต่ําก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทําไว้ถ้าทําบาปไว้ก็ไปเกิดที่ต่ําถ้าทําบุญไว้มากกว่า บ, บาปก็ไปเกิดที่สูงแล้วก็เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้า ถ้ามาจากสวรรค์มาจากที่สูงก็จะเป็นคนมีบุญนีวาสนาถ้ามาจากที่ต่ามาจากกรบายมาจากนรกมาจากเดรัจฉานก็จะเป็นคนที่มีอาภัพวาสนาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาไม่สวยงามยากจนพิกลพิการมีรูปร่างอัปลักษณ์ไม่ไมผิวพรรณไม่ผ่องใสอายุสัน้นมีโรคภัยเบียดเบียนต่างๆอันนี้คือลักษณะของบุญและบาปที่จะเกิดขึ้น กับพวกเราทุกคนเวลาที่เราจะกลับมาเกิดใหม่ฉนั้นพยานเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยานปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นมาวัดอยู่บ่อยๆมาทํากิจที่เป็นมงคลห้าประการนี้ที่เราจะทํากันคืออยู่อยู่ห่างไกลจากคนโง่คนพานเข้าหาบัณฑิตหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บูชาปฏิบัติบูชากับอมิตร์บูชาตามกําลังของเรา ถ้าไม่มีเงินทองจะทำอมิสบูชาก็ปฏิบัติบูชาเลยก็ได้มานั่งสมาธิสามสิบนาทีนี้ก็ได้ประการปฏิบัติบูชาไปแล้ได้สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ที่ได้จากการทําบุญร้อยล้านพันล้านซีอเพราะทำบุญร้อยล้านพันล้านก็ได้แค่สวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้านั่งสมาธิเข้าฌานได้ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้คนจนก็ไปถึงสวรรค์ที่สูงกว่าคนรวยได้ คนรวยทําบุญร้อยล้านแต่คนจนมานั่งสมาธิเพราะไม่มีเงินทำบุญเข้าฌานได้คนจนก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมคนรวยที่ทาบุญร้อยล้านก็ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพที่ต่ำกว่านี่คือเรื่องราวที่เราจะมาได้กระทำกันในวันมงคล ว, ว, วันที่เป็นวันมงคลวันที่เสริมเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราด้วยการกระทาสิ่งนี้เป็นมงคลทั้งห้าประการนี้ ใม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาฟังเทศฟังธรรมตามตามเวลาสมควรแล้วก็สนทนาธรรมถามตอบคําถามในเวลาที่สมควรการกระทำํำนันนี้เป็นการเสริมเสริมมงคลให้แก่ชีวิตเพราะว่าเป็นการกระทำที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ซึ่งพอดีก็หมดเวลาสําหรับการแสดงธรรม ที่ได้กำหนดไว้สามสิบนาทีอีกสามสิบนาทีต่อไปนี้เราจะมาปฏิบัติทากันเรามาเราจะมาปฏิบัติบูชากันด้วยการทำจิตใจให้สงบให้เข้าฌานในขั้นต่างๆฌานนี้ก็มีอยต้องแปดชั้นด้วยกันมีแบ่งเป็นสอ ง, สอ ง, สองระดับรูปฌานสี่รูปฌานสี่เื้อมต้นเวลาเราดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธนี้เรากาลังเข้าสู่ฌานขั้นที่หนึ่งมีวิตกมีวิจาร ให้อยู่กับลมไปดู ล, ลมไปเริ่มบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปถ้าเราไม่ทิ้งพุโทโธไม่ทิ้งลมมันก็จะสงบเข้าไปเรื่อยๆเกิดปิติเกิดสุขเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาจนในที่สุดก็ถึงฌานขั้นที่สี่ก็จะเกิดอุเบกขาเกิดความสงบเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขขึ้นมา สิ่งเนี้มันจะปรากฏขึ้นในใจเราเราจะรู้ได้ไม่ต้องไปถามใครถ้ายังไม่เกิดก็อย่าไปลังเลสงสัยถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่ายังไม่เกิดพ อ, อพวกนี้เวลามันเกิดมันจะทําให้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งที่มหาสารใจเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนนะข้อสําคัญเวลานั่งสมาธิขอให้เรามีสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับเรื่องอื่นให้อยู่กับกรรมฐาน เช่นพุโทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งหรือถ้ายังไม่มีสติพอจิตยังฟุง้งยังคิดมากอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจนั่งหลับตาสวดไปเหมือนนั่งสมาธิไปแต่แทนที่จะดูลมหรือแทนที่จะใช้พุโทโธก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนรู้สึกว่าใจเริ่มเบาเริ่มสง บ, บลงไม่ฟุง้งซ่านก็ค่อยเปลี่ยนมาที่พุโทโธพุธโทโธต่อ เริ่เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกต่อไปเวลานั่งต้องมีใจผูกอยู่กับกรรมฐานถ้าไม่มีกรรมฐานแล้วเดี๋ยวใจมันจะลอยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเลิกนั่งขึ้นมาเวลานั่งก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานได้ผูกอยู่กับพุโทโธผูกอยู่กับลมได้ใจมันเพลิดเพลินกับพุโทโธกับกรรม กับลมหายใจมันก็จะไม่รู้สึกมีความรู้สึกอยากจะไปไหนเพราะมันจะเริ่มเกิดความสุขจากการที่ใจมีกรรมฐานถูกใจไว้ใจเริ่มเข้าสู่ความสงบตามลําดับต่อไปเวลานั่งมีอะไรปรากฏมาเข้ามาในใจก็อย่าไปสนใจจะมีเสียงเข้ามาจะมีรูปเข้ามาจะมีแสงเข้ามาหรือมีอะไรเข้ามาก็ตามอย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมไป บางท่านก็ใช้ทั้งสองอย่างก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทก็ได้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะค่อยๆสงบตามลาดับต่อไปและต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้เกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานี้จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะถ้าเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไป อตอนนี้เวลาสงบการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็ให้สังเกตให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลานั่งคราวหน้าก็เอาวิธีดีเอาวิธีนี้มานั่งต่อได้เลยจิตก็จะสงบได้เหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบ เพราะความอยากให้มันสงบนี้จะทําให้มันไม่สงบต้องจําวิธีนั่งที่สงบไว้แล้วเอาไปทําต่อถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยก็ควรที่จะเจริญสติระหว่างวันให้มากขึ้นพยายามเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือจะดูเฝ้าเฝ้า ด, ดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็ได้ พอดูร่างกายในทุกิริยาบุตรของการเคลื่อนไหวแล้วจะมีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อไปเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวาหาปุราปาริป mm ุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุจินังเปตานังอุปปักปติ อิชิตังปฏจจิตังตุมหังคิดเะเมวัสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญหาลโสยธามณนโชติอราโสยธาสัพพิติยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราลาโยสุขิติคาโยโกภา อภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนยตาโรธรรมวาทาันติอายุวนันโนสุขังภาลางังช่วงตอบไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ274ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ314ท่านทาง y o u t u ด e อกตรวี50ท่านทางวิทยุออนไลน์11ท่านทาง c l ับ h ฮ u s ์7ท่านผู้รับฟังหน้ากูติ148ท่านรวมทั้งหมด804ท่านครับ กลับหลวงพ่อครับผมผมขออนุญาตถามครับพอดีผมนั่งปฏิบัติอยู่วันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้กําหนดอะไรเลยครับนั่งนั่งเฉยๆครับก็ก็รู้สึกว่าเาเาจิตตั้งมั่นดีครับแล้วก็ไม่ได้มีความคิดอะไรขึ้นมาทีนี้ก็มีแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแอร์กับเสียงเสียงอีที่อยู่ในหูครับทีนี้วันหนึ่งก็รู้สึกว่ามีความเงียบอีกอันนึงที่ที่เงียบกว่าแล้วก็นิ่งๆที่ แยกออกมาจากเสียงนิ่งนี้อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ก็ยังยังรู้สึกได้บ้างอยู่ทีนี้วันต่อมาก็จะผมนั่งปฏิบัติแล้วก็ยังรู้สึกได้ถึงความนิ่งเงียบนี้ต่อไปครับแล้วพอวันต่ อ, ตอมาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าในในชีวิตประจำวันเนี่ยก็รู้สึกถึงความนิ่งเงียบนี้ได้อยู่อยู่เรื่อยๆครับเลยอยากขอเมตตาข อ, ขอท่านเมตตาชีนะ ครับ ม, มันก็เป็นความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบลึกไม่สงบเต็มที่ครับผมถ้าอยากจะให้สงบลึกสงบเต็มที่นี่ต้องมีอะไรผูกใจไว้ครับต้องมีการดูลมหายใจไปเรื่อยๆไปพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยแล้วจิตมันถึงจะดึงเข้าไปสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ครับผมโอเคเข้าใจท่านนั่งเฉยเฉมันก็ได้แค่นั้นน่ะมันก็ได้ได้ความว่างว่างเยน็เยนเย็นสบาย แต่มันก็ยังมีความคิดความอะไรอยู่บ้างครับมันยังไม่นิ่งสงบอย่างเต็มที่ถ้าอยากให้นิ่งสงบเต็มที่ต้องใช้คําบริกีรำพุทโธพุทโธพุทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออที่ปลายจมูกครับแล้วอย่าไปทิ้งถ้าเดียวมันจะรวมเข้าไปครับแล้วมันจะนิ่งแบบทุกอย่างหายเงียบไปหมดเลยครับผมนี้พอผมดูลมเนี่ยเ อ, อผมถึงตรง เอที่ว่าลมพอยิ่งลมสั้นแล้วก็ลมยิ่งเบาแล้วไปถึงจุดที่รู้สึกว่าเ อ, อไม่ไม่รู้สึกถึงลมเข้าออกแล้วนี้่ก็ดูที่จุดเดิม น, นั่นแหะว่าไม่มีลมเข้าออกเดีหรือจะทิ้งที่จุดนั้นไปครับผมในเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบได้ครับผมกลับขอบพระคุณครับมีท่านหนึ่ง สอบถามพระอาจารย์ค่ะในร่างกายของเราค่ะมันจะมีรูปกับน้ำใช่ไหมคะไม่มีมีรูปอย่างเดียวมีรูปอย่างเดียวน้มมันอยู่ในใจค่ะสมมุติว่าถ้ามันแยกรูปกับน้ำก็คือร่างกายแล้วน้ำอีกส่วนหนึ่งถูกไหมคะใช่น้ำก็คือความรู้สึกนักคิดค่ะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณอันอยู่ในจิตค่ะแล้วทีนี้ตัวผู้รู้จะอยู่ตรงไหนคะก็อยู่ที่นามเนี่ยอยู่ที่น้ำเหรอคะออน้ำมันมออกมาจากตัวผู้รู้อีกทีนึง ผู้รู้เป็นผู้รู้นามรู้รูปถ้าไม่มีไม่มีผู้รู้ก็จะไม่รู้อะไรเหมือนต้นไม้ไม่รู้อะไรแต่จิตนี้เป็นธาตุรู้มันก็เลยรู้รูปรู้นามได้แต่เดียวมันมันรู้ด้วยความหลงรู้ด้วยความคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราต้องมาสารมันให้ปล่อยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะอะไรเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะทุกข์กับมันคถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา รูปก็ไม่ใช่ตัวเรานามก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอาการของธรรมชาติอาการของดินน้ำลมไฟอาการของของจิตที่มันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆทังขารความคิดปรุงแต่งเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราเราจะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอมันไม่เป็นเราก็ทุกข์ขึ้นเราต้องให้รู้เฉยๆปล่อยวาง ร่างรูปจะรูปจะดับก็ปล่อยมันดับไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บตายเวทนาจะสุขจะทุกข์ก็ปล่อยมันสุขมันทุกข์ไปตามเนื่อของมันเอาใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอร ะ, อะมิท่านนิยต่อครับนรมศสการพร ajaan ค่ะอโยมมีคําถามนะค่ะคือว่าเวลาโยมฝันนะคะ โยมจะไปรู้สึกตัวในความฝันนะคะแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เรากำลังฝันอยู่อะค่ะแล้วพอมีเจตนาเกิดขึ้นว่าเราไม่เอาความฝันเนี่ยเราต้องการที่จะตื่นนะคะก็สามารถที่จะปลุกตัวเองตื่นจากความฝันได้ะคะเสร็จแล้วอะค่ะมันมันเหมือนกับมันช้าลงอะค่ะแล้วภาพความฝันดับลงอะค่ะตัวโยมที่อยู่ในฝันก็หายไปแล้วมันเกิดเป็นสภาพรับรู้อะค่ะ เกิดขึ้นแต่เป็นสภาพรับรู้ที่ปัสจากอย่างอื่นทั้งหมดอะคะ่ะไม่มีร่างกายไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดไม่มีเลยอ ะ, คะแค่แบบว่า ร, ร, รับรับรู้อยู่เฉยๆอะคะ่ะเราเห็นแล้วหลังจากนั้นนะคะมันค่อยๆเริ่มมีอย่างอื่นนะคะเช่นร่างกายของเราที่นอนหลับอยู่คือเรานอนยังไงท่าไหนอยู่บนเตียงอย่างนะะี้ค่ะก็จะแบบรู้อะค่ะมือวางตาที่ปิดหรืออะไรเงี้ยค่ะคือรู้หมดแล้ว จะค่อยเห็นว่าหลังจากนั้นเริ่มมีความรู้สึกเริ่มมีความคิดเริ่มมันมันค่อยๆมีอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ตาที่ปิดอยู่นะคะก็ลืมขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าลืมลืมตาตอนตื่นแล้วจากไม่มีรูป ม, มันมันมีรูปมันเริ่มมีเสียงมันมันค่อยๆมาค่ะแล้วก็เรารู้ว่าเราเห็นทั้งหมดเราทุกอย่างมันเหมือนเป็นสโลโมชันอะเจ้าค่ะแล้วโยมเนี่ยจะ เหมือนกับมีปรากฏการคล้ายๆแบบอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะค่อนข้างบ่อยครั้งตอนตื่นนอนฝันช่วงช่วงเชื่อมระหว่างฝันกับตื่นนอนนะเจ้าคะ่ะโยมไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นชือตอนที่เราฝันีสติมันไม่มีแล้วพอเราเริ่มมีสติแล้วก็เริ่มรู้ว่าเรากำลังฝันอยู่แล้วเราก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาสติก็มากขึ้นมากขึ้นเราก็มีการรับรู้มากขึ้น ตอนนี้ที่สุดเรวก็ตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่ท่านั้นเองไ ม, ม่เป็นยานทางานของสติตอนหลับไปสติไม่ได้ทํางานก็เลยฝันงนั้นเนีน้พอสติเริ่มเริ่มตื่นขึ้นมามันก็เริ่มรู้ว่าตอนนี้เรากําลังฝันอยู่อ่าก็เลยเริ่มค่อยๆเพิ่มความรับรู้ขึ้นมาตามร่างกายตามอะไรต่างๆแล้วได้ที่สุดก็ตื่นขึ้นมาลืมตามขึ้นมาก็ไม่เป็นอาการปกติไม่มีอะไรที่จะต้องไปวิตกกังวล ไอ้รู้เฉยๆไป่นไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรกระจายไหมอโอเคทำน้องนอนน้องเองน้องเมืองกาวนามาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ที่มาถามคำถามพระอาจารย์อยากให้ เ, เป็นการปฏิบัติแล้วก็อยากจะ มาถามพระอาจารย์ว่าแบบมันตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะคะคือพอปฏิบัติไปอะค่ะพระอาจารย์พอเหมือนเราเข้าใจเรื่องหนึง่งแล้วทำให้เราย้อนกลับไปในอดีตว่าสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้าที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นความไม่รู้มันเป็นความหลงหมดเลยค่ะซึ่งสิ่งสิ่งนั้นะเราได้ทำไปแล้วแต่ทีเนี้ยค่ะการกระทาหลังจากที่เราปฏิบัติอะคะ่ะ ผลที่เราเคยการกระทําที่เราเคยทําก่อนที่เราจะรู้เนี่ยมันต้องส่งผลมาในขณะที่เรารู้แล้วหมายถึงในปัจจุบันเนี่ยมันต้องส่งผลมาแน่นอนนะคะแต่การส่งผลของมันนะ่ะการที่เรามีสติรู้ตัวแล้วอะ่ะเราจะมีแอคชั่นกับมันเนี่ยที่ไม่เป็นกรรมเท่ากับการไม่รู้ ใช่ไหมคะถ้าเราจะรู้เฉยๆไงอันนี้เราจะมีปฏิกิริยาเกิดความโกรธเกิดความดีใจเราก็เฉยๆไปเราก็ปล่อยให้วิบากมันแสดงผลไปเราจะไม่ต่อเราจะไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาจากการรับผลของวิบากของเราเช่นใครมาด่าเราเราก็จะไม่ตอบโต้เขาแต่ถ้าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราพอดา่าเราเราก็ด่ากลับมันก็เป็นการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเอง ที่รารู้แล้ ว, ว่าการสร้างกรรมนี่มันไม่ดีเราต้องหยุดยุดติการสร้างกรรมเวลาใครเข้ามาดา่าเราก็ถือว่าเรากําลังรับวิบากกรรมของเราเราก็ปล่อยให้เขาด่าไปมันไม่ใช่จะดีก็สาธุเขาขอบคุณเขา <c oughs> กรรมจะได้หมดหว ด, ดกันไปาพอเขาด่าจนเมื่อยปากแล้วเขาก็จะหยุดดา่าเราไม่ต้องไปทำอะไรโอเคค่ะงั้นอึ่ก็เข้าใจตามนี้ค่ะพระอาจารย์พอพอพอรู้มีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าทุกอย่างต้องปล่อยวางทุกอย่าง อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปไม่ไปต่อต้านไม่ไปต่อสู้แต่ถ้าทําอะไรที่ทําให้ไม่เกิดความเสียหายได้ก็ทําไปเป็นใช้แผ่เมตตาไปอะไรหรือให้ความช่วยเหลือเขาแล้วก็ทุกข์ยากเดือดร้อนมาลังควาย ม, มาขโมยข้าวของเราพอเราจับเขาได้เราก็ไม่เอาลงโทษเขาไปยกโทษให้เขาไปปล่อยเขาไปให้ความเมตตาเขาแือว่าเป็นวิบากของเราที่เขาจะต้องมาขโมยทรัพย์ของเราไป ขอบคุณค่ะท่จะไม่สร้างเวรสร้างกรรมใหม่ต่อไปมามาใช้นี่ะก่อนหน้าก็ใช้นี่ค่ะอโมคลาท่านมีฤทธเดชท่านก็ยังยอมตายเลยเพราะถ้ามาหนีกรรมไม่พ้นเมื่อถึงเวลามันตามมาก็หนีวันนี้ไปพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่งั้นก็ไม่หนีดีกว่าปล่อยให้มันเกิดส่งผลเต็มที่ค่าท่านตายแล้วแต่ท่านก็ไม่กลรมมาเกิดอีกต่อไปกรรมก็หมดสิ่นไปขอบคุณค่ะอาจารย์ ทำให้ถามเอไอนะลองส่งเข้าไปถามมันดูหน่อยดูที่มันจะตอบได้เปล่าครับเรียนสอบถามอาจารย์ครับหลายครั้งที่เเกี่ยวกับการนั่งสมาธิครับอาจารย์หลายครั้งที่ผมนั่งสมาธิครับอภาวนาด้วยพุทโธนะครับหลายครั้งคําภาวนาพุทโธนั้นหายไปนะครับแล้วก็ ลมหายใจก็หายไปและรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนแขนขาหายไปสถานที่ที่ปฏิบัติอยู่ก็เหมือนหายไปทุกอย่างหายไปหมดเลยครับอาจารย์แต่อาจารยนสอบถามอาจารย์ว่าเมื่อได้ทรงจิตอยู่ในสมาธินี้แล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับมันสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือความสุขใจสุขไหยล่ะสุขครับถ้าสุขก็คือจิตสงบเป็นสมาธิ ถ้าให้ไปแต่จิตยังไม่สงบยังไม่มีความสุขก็แสดงว่ายังไม่สงบครับก็ต้องทําต่อไปทำจนกระทั่งจิตมันดิ่งลงสู่ความสงบแล้วเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ใจขึ้นมาครับอ๋อนี่คือความสุขที่พเจ้า ต, ต, ตัดไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขทั้งสุขเงินที่เหนือกว่าความสงบไม่มีต้องถึงจุดนั้นก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิจริงๆถ้ายังไม่ถึงจุดของความสุขนั้นก็ยังถือว่ายังไปไม่ถึงถึงเป้า เพราะถ้ามันได้ความสุขจากความสงบแล้วมันจะติดใจกับการปฏิบัติกับการนั่งสมาธิมันจะเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันจะมาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็แสดงว่ายังต้องไปต่อก็อย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งลมไปทำต่อไปพอถึงจุดนั้นมันจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจากต ก, กจากที่สูงลงมาวูบลงมา แล้วก็นิ่งเย็นสบายขึอืมครับครับเข้าใจไหมเข้าใจครับโ okay. อเคยันถ้ายัางพูดโธได้ก็พูดโธต่อไปอย่าหยุดพูดโธครับดูลมได้ก็ดูลมต่อไปครับไปถึงครึ่งทางแล้วยังแต่ยังไม่ถึงสุดทาง มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนานาคุติถามเข้ามาว่าหลวงพ่อครับตอนนี้ผมชอบคำภาวนาว่าพุทธสังมิหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาสังมิสบายๆแต่บางทีเวลาเราฟุ้งซ่านหรือต้องการทำอะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าภาวนาหายใจเข้าว่าพุทธสังมิ หายใจออกว่าพุทธสังมิสี่พยางแบบนี้รู้สึกจังหวะเข้ากับลมมากกว่าใช้ได้ไหมครับได้เราจะใช้แบบไหนก็ได้ขอให้ใจเราสงบก็แล้วกันคุณนรงศักดิ์เขาถามเข้ามาว่ากราบธรรมสงานพระอาจารย์ผมนั่งสมาธิจิตสงบแล้วมาพิจารณาในจิต เห็นขันห้าแยกจากจิตเห็นว่าเวลาจิตไปยึดขันทำให้เกิดทุกข์การที่จิตไปยึดขันคืออุปาทานใช่ไหมครับแล้วความอยากคือตัณหาเราจะตามทันแล้วดับความอยากได้อย่างไรครับก็ต้องเห็นว่าการมีความอยากจะทาให้เกิดใจทุกขขึ้นมาเพราะสิ่งที่อยากมันเป็นของไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนจากสุขกลายเป็นทุกข์ได้ เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังี่ร่างกายของเราตอนนี้มันให้ความสุขกับเราแต่วันหนึ่งข้างหน้ามันจะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไม่อยากจะได้ความทุกข์จากร่างกายเราก็อย่าไปยึดไปติดกับร่างกายอย่าไปมีร่างกายต้องหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆถ้าค่ะคุณบาจางค่ะฝากคาถามมาว่าในชีวิตประจวาวัน ในการทำงานทำไม่มีเรื่องคิดมากเวลานั่งสมาธิแล้วจิตมันฟุ้งทําให้ไม่ก้าวหน้าในการนั่งเดิมทีใช้วิธีการสวดมนต์แต่หลังๆมาจิตมันเริ่มจำหมดสวดมนต์จิตก็ยังไหลไปฟุ้งไปคิดเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าต้องแก้ไขยังไงให้จิตสงบขึ้นครับก็ พยายามจเจริญสติในเวลาทำงานไปด้วยคอยควบคุมจิตอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดให้จดจ่ออยู่กับเรื่องของงานอย่างเดียวแล้วเวลาไม่ต้องทำงานก็พยายามควบคุมความคิดด้วยสติด้วยพุโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีสติมากขึ้นจิตก็จะไม่ฟุง้งเวลามานั่งสมาธิก็สามารถดูลมได้ดูพุโทโธได้ถ้ายัางดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ยังคิดมากก็สวดมนต์ แต่สวดแบกช้าๆสวนแบบอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธไปก่อนบังคับให้มันอยู่กับบทสวดมนต์อย่าไปสวดแบบลอยๆสวดแบบใจลอยต้องสวดแบบจดจ่อเพ่งอยู่กับบทสวดคำสวดทุกคำอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยเราสวดไปช้าๆก่อนเพื่อดึงจิตให้มันอยู่กับการสวด ให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จําเป็นต้องอ่านบทสวดด้วยไหมคะไม่ถ้าถ้าเอาจําได้จะดีกว่าถ้าอ่านมันก็จะส่งจิตออกนอกส่งสงไปที่ตัวหนังสือมันก็จะไม่เข้าสู่สมาธิได้เราต้องสวดแบบบทที่เราจําได้ส่วนบทสั้นๆก็ได้ไม่ต้องสวดยาวก็ได้แต่สวด น, น้นๆสวดหลายๆรอบเช่นพุทธังสัลนังกัชฉามิธรรมสัลนรนังกัชฉามิ หลังครังสะะั่นหลังกัฉช้านี้ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่สวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาบทที่เราจำได้หลับตาสวดอยู่ในท่านั่งสมาธิแต่แทนที่จะใช้พุโทโธหรือใช้ดูลมก็ใช้การสวดมันไปสก า, าแล้วอย่างแบบนี้ใช้พุโทโธเร็วๆได้ไหมคะก็ได้แล้วแต่ลองไงเราต้องทดลองดูว่าแบบไหนมันจะดีจ ะ, จ ะ, จ, ะจะใช้ได้ผลดีอันนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องลองผิดลองถูกดูวเอง เจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนรรมัสการพระอาจารย์ค่ะขอกราบเรียนถามในขณะที่เริ่มเห็นอารมณ์และอารมณ์หยุดก็ค่อยๆตามไปดูเรื่อยๆจนอารมณ์นั้นดับไปจะต้องทำอย่างไรต่อไปคะจำเป็นต้องตามดูไปตลอดให้ได้ทั้งวันตลอดเวลาหรือไม่คะเพราะรู้สึกว่าเหมือนเข้าไปตะคุบจับจ้องอารมณ์มากเกินไปทาให้รู้สึกผิดธรรมชาติไปคะ่ะ คืออารมณ์นี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เราต้องคอยกำจัดอารมณ์ที่เป็นทุกข์อารมณ์ที่มันเป็นสุขก็ปล่อยมันปล่อยมันไปถ้าเกิดอารมณ์ทุกข์เราก็ต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้ใช้สติหยุดมันแล้วใช้ปัญญาหยุดมันเช้ค่ะจากทาง a ฟ e บุ๊กถามเข้ามาว่าคาถามขอ พระอาจารย์ชีเนยะคือแต่งงานกับสามีสิบห้าปีและมีลูกหนึ่งคนอายุ1ิบขวบแล้วแต่เหมือนว่าเราสองคนมีชีวิตต่างคนต่างอยู่เหมือนอยู่ในฐานะพ่อกับแม่ของลูกซึ่งตัวดิฉันเองรู้สึกอยากยาเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองอย่างนี้จะบาปไหมคะกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะมันก็เป็นกิเลสเป็นตัญหาความอยากตอนต้นก็อยากอยากแตง่งพอแตง่งแเบื่อก็อยากยายา เนี่ยพ อ, อย่าไปป้าก็อยากจะแต่งใหม่อีกเฉะนั้นจะหย่าแล้วจะอยู่ด้วยกันนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลถ้าถ้ายังอย่าไม่ได้เพราะมีภาระระวางต้องดูเลี้ยงดูลูกอะไรทํานองนี้ก็อย่าเพิ่งไปหย่าทําหน้าที่ของพ่อของแม่ให้ดีที่สุดไปก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่รู้ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คุยกันดีๆคุยกันดีๆปรึกษากัน ว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะไม่มีความสุขขอแยกตัวกันไปตอนนี้ลูกก็โตแล้วลูกเขาก็พึ่งตัวเขาเองได้แล้วก็อย่างนี้ก็ทำด้วยเหตุได้ผลได้อย่าไปทำตามความอยากเพราะความอยากมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้อาจจะเบื่อเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาถูกลอตเตอรี่ในวันที่หนึ่งก็ยังอยากจะอยู่กับเขาต่ออีกนะนั่นต้องดูเหตุผลนะเมื่อเราทาอะไรแล้วเราต้องมีคา มั่นใจมั่นคงอย่าอย่าทําตามอารมณ์เพราะอารมณ์มันหลอกเราได้วันนี้รักกันได้พวกนี้เกลียดกันได้ปีนี้กลับมารักกันใหม่ก็ได้ฉ mm hmm. ั้นอยู่ด้วยกันต้องรู้จักคําว่า mm hmm. หวานนมขมกลืนชีวิตมันไม่ใช่มีแต่หวานอย่างเดียวมันก็มีขมบ้างหวานบ้างเราก็ต้องมองในแง่ดีของการมีคู่เรามีคู่เราก็มีคนที่จะให้ให้ความสุขมีคนที่คอยปรึกษาคอยอะไรกัน ถ้าเราอยากจะอยู่ร่วมกันด้วยความมีสุขเราต้องรู้จักใช้พรหมวิหารสี่ต้องมีพรหมวิหารสี่ต้องมีความเมตตาต่อกันให้อภัยกันเวลาเขาทำผิดล้วก็อย่าไปถือโทษโก่อกิเลสเขาล้วก็เวลาที่เขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องช่วยเหลือเขาความการุณาเวลาเขาได้ดีก็ยิแสดงความยินดีกับเขาไป เวลาที่เขาทาอะไรแล้วเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาได้เราก็ต้องทําใจให้เป็นอเุเบกขาถือว่าเป็นกรรมของเขาไปเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันด้วยพรหมวิหารสี่แล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าเราก็เราก็ต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเพราะเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เรายังมีการมาตันหาอยู่อยู่คนเดียวเดี๋ยวก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าเวกขึ้นมา แต่ถ้าอยู่กับเขาเวลาเหงาว่าเวก็มีคนแก้ความเหงาได้แก้ความว่าเวได้ก็ต้องมองทั้งส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดออีแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตคู่เป็นอย่างนี้ทุกคนมันไม่มีอะไรที่จะสุขราบลื่นไปตลอดมันมีทั้งสุขบ้างมีทั้งทุกข์บ้างสลับกันไปใช่ค่ะจากทางเฟซสอบถามเข้ามาว่า ขอสอบถามที่ตั้งอาศัยของมโนวิญญาณอยู่ที่ไหนกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายตั้งอยู่ในโลกกัทานนี้โลกที่เราโลกที่ร่างกายเราอยู่นี้เป็นโลกกัทานเป็นโลกของดินน้ำลมไฟทุงสิ่งทุกอย่างนี้ทํามาจากดินน้ำลมไฟส่วนจิตนี้อยู่ในโลกทิพย์อยู่ในโลกของความฝันเวลาเรานอนหลับนี่เราทิ้งโลกโลกกกทานทิ้งร่างกายไว้อยในโลกกัทานแล้วจิตก็เข้าสู่โลกทิพย์ เข้าสู่โลกแดนเนลมิตเนลมิตความฝันต่างๆขึ้นมาด้วยด้วยบุญด้วยบาปที่เราทํามาถ้าฝันดีก็เป็นบุญเป็นผู้เนรามิตถ้าฝันร้ายก็เป็นเรื่องบาปเป็นผู้เนลมิตขึ้นมาพอเวลาร่างกายตายไปจิตก็อยู่กับในแดนเนลมิตนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ร่างกายใหม่ก็จะกลับมาเข้ามาอยู่ในโลกกฐานนี้ใหม่อีกทีไม่ได้เข้ามาเพียงแต่ใช้น่างกายเป็นผู้ไป ไปรับลูปเสียงกลินรสต่างๆจากโลกนี้มาให้ส่งมาให้ดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้อยู่ในโลกชิดอยู่คนละโลกกับร่างกายแต่ติดต่อกันได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องมือถือเครื่องนึงอยู่กรุงเทพมืออีกเครื่องหนึ่งอยู่เชียงใหม่แต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารสั่งงานกันได้ใจก็เหมือนกันใจก็สั่งสั่งร่างกายให้ไปดูนู่นไปหาเสียงมาฟังไปหานู่นมากินร่างกายก็ทําตามคําสั่งไป ่่ไมไเจ้าค่ะจากทางช่องด็ตอร์วีถามผมว่าการปฏิบัติในลักษณะวิะปัสนาปุพพังคมสมถะมีอยู่จริงไหมและคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันน ะ, <ซ>ะามไม่ใช่เป็นพระไตยปิดกเคลื่อนที่ถาม a อรู้บ้างสิเจ้าค่ะแล้วก็ ถามข้ามาอใหม่ครับว่าถ้าผมยังนั่งสมาธิไม่ค่อยดีและกลัวตายอยู่แน่นอนผมควรออกไปฝึกในที่น่ากลัวไหมครับมันจะช่วยหรือจะทําให้สติแตกครับถ้าเกิดโดนงูพิษกัดจริงๆแล้วผมอยู่กุฏิหรือคนเดียวในปา่าคงจะตายด้วยโทรสะแน่เลยครับถ้ากลัวก็อย่าพิ่งไปวันที่ก็ไปเขาเริ่มเขา เขาแบบยังกลัวอยู่แต่ก็ยังมีความกล้าอยู่เขาอยากจะไปพิสูจน์ว่าเขาสามารถดับความกลัวได้ไหมไม่ได้เกิดความกลัวขึ้นมาเขามีต้องมีสติควบคุมใจให้ได้ก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปอยู่ที่น่ากลัวได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเลยเวลาเข้าไปอยู่ที่หน้ากลัวพอเจอความกลัวขึ้นมาสติมันจะแตกจะควบคุมใจไม่ได้บางทีจะเป็นบ้าไปได้ดังนั้นถ้ายังไม่มีสติ ในระดับของสมาธิอยู่ก็อย่าเพิ่งไปในที่ที่มันทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาคาถามสุดท้ายนะถ้ายังมีอยู่เชิค่ะมีจากยู u b e พระอาจารย์เ้าค่ะการนั่งสมาธิลมหายใจเข้าออกจิตว่างเปล่าเป็นสุขแบบคิดว่าเคลื่อนกายรับรู้แรงเคลื่อนแบบลื่นไม่ฝืดรู้<ม>การกระทำระหว่างกัน ทำสมาธิใช่การเข้าสมาธิไหมหรือนั่งผิดแต่ผลออกมาพบว่าสบายคือผลของสมาธิที่แท้จริงก็คือจิตว่างเยน็นสงบมีความสุขมากจนกระทั่งไม่อยากจะได้อะไรต่อไปถ้าได้ความสุขจากสมาธิแล้วนี่จะไม่อยากได้อะไรมีสามีมีภรรยาก็อยากจะเลิกอยากจะไปอยู่คนเดียวไม่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นอีกต่อไป